ตอนโลกาวินาศวันที่สี่กันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าการกนมรดกคุณเจ้าสัมมนาเองคุณไม่ชีกันเลยมีตุกันก็นั่งสบายสบายเนาะก็วันนี้มีบางกิจการนะก็มีบทฝึกบทปาไร้ยาที่น่าสนใจของบราก็มมาดูดีกว่าขอให้าะก ทัทศนติกาตาเป็นหลักของเหตุและผลใช่ไหมครับแล้วทำไมของพจะชาท่านจิตเทศเรื่องนอกเหตุเหนือผลความหมายโดยไนเหมือนกันไหมครับก็อันนี้มาชูเรื่องเป็นภาษาวิชาการนะ้คนคำคำนี้เนี่ยถ้าในสังคมไทย หลงพ่อทายานะพุทธทาพเป็นคนและาแก <Yeah. S 1> นำเส น, นอเรื่องนี้ <Yeah. S 1> ที่เรียกคำว่าอิทัปิยาตาเนี่ย <Yeah. S 1> เ้าใช้ผู้กับใครกับปฏิสบุทรป่าอ <Yeah. S 1> ิทธาปิยาตาปฏิสมุทบป่านะอิทราปิยาตามันเหมือนหลักกาปรปฏิสมุทบา่เหมือนข้วโมงการมันก็แยกกันจุดสองขั้นตอน ก็เป็นภาษาที่ชาติก็ครูก็จะไม่พยายามที่จะไปโกงแต่งหรืออะไรนะก็เมื่อถามมาก็บ อ, อกไปนะก็เรื่องนี้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ก็รู้ไว้ไม่ผิ ด, ผ ด, ผดปกติอะไรนะก็พยายามจะใช้ภาษาง่ายๆมพูดกันเรื่องนี้พว ก, กครูก็เคยติตมัเคย เกิดพลวิชาทำให้เกิดสังขารสารเกิดวิญญาณนะท่านหมายถึงมันเกิดขึ้นในขนาะจิตเกี่ยวในหนึ่งวินาชีนั้นสี่สองขันนขน้นตอนนี้น สายอนาทำให้เกิดปัสสาวะปัาวะทให้เกิดเวทนาเวทนาทําให้เกิดตัญหาตัญหาทำใประทานประทานทําให้เกิดพบพบทาให้เกิดชาติและฉลาหมรณาซึ่งเรียกว่าปฏิสมบูรณาพหรือปฏิจิยิยาการไอ้ทฤษฎีตรงนี้เนี่ยนักนิยศาสต์ชื่อไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เปพบทฤษฎีสัมพัทธภาพไม่มีแม่แต่หนึ่งอย่างในโลกนี้ ไม่มีไม่มีถะาหนึ่งอย่างมันเกิดขึ้นในตัวมันเองมันต้องเชื่อมโยงกับสิ่งนี้เหมือนพวกเราเนี่ยมีคนถามครูว่า แนวหลักคือเพราะเอาวิชาสังขารจีดังใช่ไหมถถ้าเราก็อวิชาได้สังขารก็ได้ซอสตัดขั้นตอนไหนก็ได้เลยนะเพีแต่ว่าวิชาการก็นี้ให้ดูว่ากระบวนการมันเป็นแบบนี้แหละแต่ในย่ก็คือหลักการก็คือว่าความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไม่มีไม่จะอหนึ่งอย่างเกิดขึ้นในตัวมันเองร่างกายเรา แ้ท่านเราสอเอาไปมาก่อนที่เราจะมาเปิดแล้วก่อนที่เขาผสมพันธุ์กันกลายเป็นพันธุ์ใหม่แล้วเนี่ยนะมาจากนะก็พระครูเคยบอกแล้วนะเรื่องกรรมเรื่องจากกรรมจิตอุตุแล้วก็อารนะกรรมจิตอุตุอาหารเนื่องจากว่าจิตรวงนั้นเองเราสร้างกรรมมาโปรแกรมกรหมอยู่ในจิตคนนั้นมันก็ไปอยู่ในท้อง คำใหม่แต่ก็ต้องไปร้านกำเก่าเพื่อไปเรียนรู้กันนะเพื่อให้เรเกิดปัญญาเมื่อเราเกิดปัญญาขุ๊บเราก็รู้เท่าทันอริชานะปัญญาคือตัววิชาชอยทั้งสองตัวไม่ใช่วิชาเราเรียนอย่างนี้คณิตศาสตร์อะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วนั้นแล้สุดท้ายตอนนี้ถ้าไม่เรียนมาจบด็อกเตอร์แล้วเขาไม่อัปเดตเขาจะต้องเปียนเพื่อเห็นด็อกเตอร์ประนบกาที่วิชาเราเนี่ คนโ้งแล้วก็สมมุติขึ้นหรือโครงแตกขึ้นมานะส่วนวิชาชรชาสองตัวเนี่ยอีกห้านปีข้างหน้าเนี่ยก็ปัญญาเราเมื่อเรารู้แจ้งแั้วว่าอะไรก็ไม่ใช่จิตบริวารที่มันหลงเหล่านี้มันมีอยวิชามันเป็นของความรู้ที่เราสร้างสร า, า, างคนมาเมื่อเราเกิดปัญญาเกวับวิชาแล้วเนี่ยมันก็ชนะกว่วิชากวิชาตัวนี้ความรู้ผิดเนี่ยก็หลอกหลอกมันไม่ได้นะ ก็ทางถามคือเป็นหลังของเหตุและผลใช่ไหมครับก็คูณตอบนะถ้าเป็นหลักเหตุผลที่มนรษย์มสมมุติขึ้นเช่นเพราะเราทำผิดกฎหมายเราจึงต้องผูกลงโทษคือิจคุกคนะหรือตามเหตุผลเพื่อสนองความชอบหรือความเชื่อของตัวเองแล้วไม่รู้ว่าเป็นหลัง วิทยาการเนี่ยมันเป็นสัศารนตาต่างว่าเป็นจริงของธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากการปรุงแต่งหรือมนุษย์สมมติขึ้นเป็นปการโกหแห่ตารนะคือการกระทําราทาอย่างไรเราไม่เห็นกันใช่ไหมคนแทนคำนี้ก็คือหลักปฏิสุลบาส น, นะเร า, าทราสีขาวก็เป็าสีขาวมันแห้งจะเป็นสีแดงไม่ได้ก็เป็นสีขาวเราทาสีดาก็เป็นสีดำใม มันไนะม่เลือกด้วยทําไมเพราะอะไรนะทำดีทำชั่วชั่วทาสีขาวขาวทาสีดําำเป็นเรื่องนอกเหตุเหนือกฎถ้าเอาเหตุผลกันที่เราไหนที่มนุษย์เราเนี่ยเพิการคนต่างเหตุผลถึงทะเลกันทุทกวันวนี้เหตุผลเข้าข้างที่ตีมานานันนะตัวเอง เหตุผลยตามความเชื่อตอ น, นะมันไม่ใช่เหตุผลแบบนั้นแต่มันเป็นไ ป, นปนารเหตุและปัจจัยามธรรมชาติเรายกเราหนั ก, กนะนี่คือกัรมนะมกัว่าเราได้ปล่อยเราก็หนักเรากางเราก็เบาหนะนี่คือหลังตามธรรมชาติข้างหลังนะข้าวช่วเข้าไปในจิจิตบอกมันก็เป็น รับไม่ได้มันก็ร้องไห้ แต่ถ้าไม่ก็ก็เป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าเราต้องการมีความสีขกับปัจจุบันก็ควรอมองโลกในแง่ดีเข้าไวา้หรือเปล่าครัก็ไม่ต้องมองโลในแง่ดีไม่องมองโลกในแง่ลายมองโลกในแง่ความเป็นจรินะไม่ว่าจะเกิด แลก็ตายหมดละแล้วก็เาคิดวกอีกสั้นบนทานใหม่เพื่อตกเกิดกินลมจริงๆแล้วอันนี้คือแค่ที่ไปหมันปวดหัวจิยามาลาเ่นหาตัวตายแล้วก็คิดอีกว่าเราอยากได้ก็คือมันโงกัแต่คนทานโลกอบไหนว่าเราอยากได้จริงๆแล้วเนี่ยคว่า I think t h a for I am มันกลับกัน I am t h for I think เพราะมีตัวเราถึงมีปวดห พราะเราสร้างตัวตนขึ้นมาเราก็คิดเพราะเอาอยากได้แต่ถ้าตัวเราไม่มีเราไม่จะเป็นคนคิดนั่นแหละไม่ต้องคิดบวกไม่ต้องคิดลบไม่ต้องรู้สึกสุขหรือทุกข์ไอ้ที่ไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์ไม่กังวนอะไรเลยนั่นจะเป็นความคิดอย่างนี้งนิพพานก็นสุขอย่างยิ่นะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรามีโปรแกันเป็นนักคิดเรยเรามีแล้ว ไม่คิดตวเงว่าไม่ต้องคิดพกผอกไมคิดไม่ต้องคิดเออก็คิดแล้วไรว่าไม่ต้องคิดมันก็คิดดแล้วนอันนี้ก็ปลดใจอยู่นะพอคิดได้แล้ไม่ต้องคิดพอเผลอต้อกีเด็ก็คิดดีนะเราจะมีการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อมักอกนี่คือขัดเอาจิตให้ปลอดใจไม่ใช่ไปคิดตัวเองว่าที่รอดมีอยู่แล้วที่พามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วหมดไม่ต้องคิด มันไม่ต้องอะไรเลยมันเปิดเจออันนั้นมีปัจจัยสนุกต้องมีการปฏิบัติแต่ในช่วงปฏิบัตินี้นะปฏิบัติเพื่อให้เราู้เท่ากันไม่ต้องทําอะไรเลยแต่เขาไม่ต้องทําอะไรเลยเขาไม่ต้องทำไม่ต้องมีปฏิความดีๆแน่ปฏิบัติแต่กระบวนการปฏิบัตินะไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องมีเจรจาเราไม่ได้ที่เดินทางก่อเกครับไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องที่เรามีอยู่แล้วคิดเอาเองถ้าเราแค่ไม่คิดนะ ไม่คิดเนี่ยนะก็ง่ายข้านะเอาคิดยาสลบไปมันก็ไม่คิดไงคิดยาสลบมันก็ไม่คิดไงมันคนทุกข์ไหมไม่ต้องสลบนักทาถาใเ้บางทีถ้าเราทำได้แค่นั้นเราก็ไม่กังวลอะไรเราไม่ทุกข์แต่ยังไม่คนทุกข์เราก็เข้าคาทาใส่เข้าพวกใส่ไม่บางิีมันก็ทาหน้าที่มานย้ว่ ก็สัตว์เดรัจฉานนั่ตัวนี่ยละชานพิชาไม่ทุกแต่ก็ไม่หมดทุกต้องมีการปฏิบัติแต่ในการกบวนการปฏิบัติแล้วเนี่ยเมื่อเราเดินไปแล้วก็เดินแต่ไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณ์ไม่ต้องทัเสียงตื่นรู้ต่อดเะลาในการเดินนั่นแหละคือการเจดินพอวนกับปฏิบัติแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องทำแต่กระบวนการ ไม่ต้องกินอะไรก็น ผู้บุกเบิกการรักษามะเร็งเต้านมโดยไม่ทันทีแต่คุณหมอคนโดไม่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิธีรักษากับโรคมะเร็งเท่านั้นแต่ยังให้ความรู้สุขภาพแบบรงรวมในมุมมองที่คุณคาดไม่ถึงมาก่อนเป้าหมายของคุณหมอก็คือให้คุณห่าำภารยาและการรักษาที่ไม่จําเป็นน่าสนใจจากมะเล็ง าส 90% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งในญี่ปุ่นหากปล่อยเนื้อลายที่ไว้จะมีชีวิตยอยู่ได้อย่างแข็งแรงมากกว่าการเข้ากาันกับการเข้ารักการรักษาเพราะผูู้ดตธอนี้มาั้งหลายนี่นะยาต้านมะเร็งหรือเค ม, ามาีบาบัดชคีโมเป็นพิษที่ร้ายแรงมีฤทิแค่ ทัาข้อเนื้อไร้เล็กลบชั่วคราวไม่ได้ช่วยรักษาหรือมีประโยชน์ในการยือชีวิตออกไปในอย่างไรมีการปรับมาตรฐานค่าความดันโลหิตสูงสุดจาก160มิลลิเมตรปรอดสมัยก่อนเนี่ยเ ข, ข้าค่ามาตรฐานคือ160มีการปรับ ลงมาเป็น140ในปี2 0 0 0และ130ในปี108 2 2 0 8ทำให้อยู่ดีๆคนจำนวนมากก็กลาย เ, เป็นผู้ป่วยความดันโลยิตสูงทั้งหมดนี้เพื่ อ, อโดยต่อธุรกิจขายยารถความดัดนบรวนและต้องกินไปตลอดชิต น, น่ากลัวไหมเขาลงมาแบบนี้ เมื่อดูปวเป็นโรคฟังน้ำแล้วต้องกินยาไปตลอดตและยายที่กินปตลอดเวลาเนี่ยมันตกค้างนั่นแหละคือมะเร็ง น, นะมะเร็งที่ไม่สร้างความเก็บกวนไม้จะปล่อยไว้ก็ไม่ก็มีไม่น้อยเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งทางเดินอาหารมะเร็งตับมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นเพราะมะเร็งมีทั้งของจริงและของปลอม แต่ไม่ว่าจะจิงหรือปลอมวิธีรักษาด้วยการขาดาัจหรือทําคีโมจะเปล่าประโยชน์เสียเก้าสเอ็นก้อนมะเร็งไม่ได้ัำให้เราต้องทุกโทรมานจนกระทั่งเสียชีวิตหรอกแต่สาเหตุคือกระบวนการรักษามะเร็งต่างๆมเร็งฉันจะฆ่าเลอนะฉันจะยิงเลเซอร์ ฆ่าตัวท่าเอเาทีโมลฆ่าตัวมะเร็งมันยังไม่ตายแต่คนเป็นมะเร็งตายบ่อยผลข่านเคียงทยงนันทีเลยผมรวม่วงหมเลยจากเดินไหวใจเโยงไม่ได้นี่มันรักษาด้ว่วันนี้เป็นมันเป็นลธุรกิจนินยมหนอกยาลดคอเลสเตอรอลที่ขายกันทั่วโลกยาประเภทสเตติีมีโอกาสป้องกันโรคได้น้อยยิ่งกว่าการถูก ร, รัตระดี่ในอเมริกา คณะกรรมระการที่รณรงค์ได้ลดค่ามาตรฐานของไขมันไม่ดีนะเพื่อให้คนจำนวนมากขึ้ น, น ถ, ถูกวิธใช้ว่าป่วยรับเงินจากธุรกิจยาถึงแปดในเก้าคนจนเกิดการกับตุวนอันนี้คุณควรรับเนือคนเลสเตอรนี่มันมีประโยชน์มันก็บอกว่าให้มันไม่ดีต้องกินยาคุมคอเลสเตอรอล ไอ้พวกผลิตยาพวกนี้นเขาคิดในเรื่องเขาจะได้อะไรนะคนร่างกายแข็งแรงควรหลีกเที่ยงการฉายลำสีเอ็กซเรย์และการทำซีเอทสแกนแม้ครั้งเดียวแม้ครั้เดียวก็เสียงที่จะทำให้เป็นมะเร็งหากไม่รักษามะเร็งแล้วก็สา ม, มารถควบคุมความเจ็บวดได้เป็นเสด็จเด็ดทางสติอยู่ครบด้วนไม่มีการาเลิกเลือด จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งจะจากไปอย่างสมงบและเมื่อเทียบกันแล้วหัวสมองกลอดโตรงกว่ามากและไม่ต้องสูญเสียกอกกรรมใดเช่นการเดินเล่นพอรักษาทุกาเดินไม่ได้เลยการบำรุงร่างกายและสมองจำเป็นต้องได้รับไยมันและโปตีอย่างเพียงพอ แต่ไม่ต้องไปกินอาหารเสริใดๆเพียงกินไข่และดื่มนมทุกวันก็เพียงพองแล้วทุกคนควรเขียนพิในกรรมชีวิตไว้หมายถึงเอกสารแสดงเจตจำนงว่าอยากให้รักษาอย่างไรช่วงก่อนจะเสียชีวิตควรเขียนออกมาอย่างเป็นรูปธรรมทีท่สุดเช่นไม่จะเป็นต้องฝืนให้อาหารเช่นสอดท่อ ให้อาหารผ่านทางจมูกถ้าใส่เครเื่องช่วยหายใจ ค, ครบหนึ่งสั ป, ปดาห์แล้วยังไม่ได้สติให้ถอดเครื่องออกเลยนังสือชื่ อ, อยาให้หมอค่ากุณนะอันนี้เป็นระเบิดเวลาเลยกนระทบตับพวกธุรกิจการแพทย์ธุรกิจหายาอย่างไรก็วกโฆษณาสารที่แก่ตาเข้าเป็นหมอตลอดช่วที่เขาเป็นหมอสี่สิ เขาก็มาเปิดเผยความจริงไ ม, ไม่ใช่คุณหมอเป็นคนดีไม่ดีแต่กระบวนการเรียนรู้วิชาการแนีมันสอนให้เราเป็นเซลล์แมนขายยาให้เขาอย่างพวกคุณปไปโรงพยาบาลเป็นโรคทันทีไปใหญ่เหมนกันไปเนะี่ยเป็นโรคทลาร์เราเป็นแค่คนอาย้มากแล้วไม่ได้เป็นโรคมัาก็ตั้งชื่อโรค ก, กันน่ยมันก็ไม่ ไ, ได้ขายยาให้เรา นี uh, ่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งน้อก็ฟังอย่าไปเชื่ออะไรง่ายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้มันขัดแย้งระหว่าแพทย์องค์รวมกับแพทย์ในปัจจุบันแพทย์ที่เรียนต่างปัจจุบันกับแพทย์องค์รวมแพทย์องค์รวมที่รวมจากแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์อะไรที่ไม่ใช้แบบธรรมชาติต่างคนต่างว่ากันสามวิธีที่ท้ล้างที่ต่ำผิดๆที่ห้ามท อ, อันตรายถึงชีวิตตอนนี้านทางกนณีเขาเปลียนกรณีเขาเพราะครูเคยบอกใน้ะว่างนั้นร่างกายมันเปื้อนไปเพราะมันสะอาดเกินไปแล้วมันจะไม่มีภูมิคุ้มกันไว้ชีวิตของนั้นน่ะติดเชื้ออะไร คนโขลกตัวไปเข้าคอทกข่าวหรือจำสูตรมาทำเองที่บ้านจนเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตวิธีดีท้อกล่างกายแบบไหนควรอิ่มเนี่ยงดวนดวนนะมีคำตอบนะเขาบอกสามวิธีดีท้อกล้างพิษตับผิ ด, ผดที่ห้ามทำอันตรายถึงชีวิตหนึ่งดอาหาร ทานได้แต่อาหารบางประเภทที่เชื่อว่าช่วยดีท็อกกล้างกายการบหมดอาหารแล้วทานอาหารอย่างในย่างเพียงอย่างเดียวเช่นดื่มน้ำมะพร้าวน้ำมะนาวโซดาน้ำมะพร้าวน้ำใบย่านานหรือทานแบบผลไม้รวนๆ น, นอกจากจะไม่ได้ช่วยดีท็อกกล้างกายอย่างแท้จริงแล้วยังทําให้ร่างกายขาดสารอาหารน้ำสังจะอาจทำให้หมดพลังงาน ไม่มีแรงหน้าเือาร์ตาลายน้ำตาในเลือดตายยิ่งใครที่ทานแต่ของที่ทาให้ถายอาจากเกิดอาการช็อกจากการขาดน้ำจนเสียชีวิตได้อันที่สองนะสวนรูทวันใครที่มีปัญหาเรื่อง ก, การถายอึดอัดท้องอยากถ่ายแต่ไม่ถ่าย อาจเลือกวิธีสวนอุทวนันโดยการสอดสายนาเกลือที่บรรจุ ข, ของเหลว อ, อย่างน้ำหรือน้ำกาแฟเข้าไปจริงๆแล้วด้วยวิธีที่ทำไม่ถือว่าผิแต่หากคนที่ทำไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอด้วยป็ิบัติุปกรณ์ต่างๆที่หาจไม่สะอาดพอ อาจทำให้ติดเชื้อจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกันนอกจากนี้การสวนลูทวา น, นจะทําให้มีอุจจาระออกมาในปริมาณมากไม่ได้หมายความว่าเป็นการดีทอ็อกลําไส้กจนสะอาดหมดจดอย่างที่คิดแต่เป็นการกระตุ้นการบีบตัวของลําไส้ใหญ่มากจนเกินไปและหากล้างลําไส้บ่อยๆอาจทําให้ลําไส้สูญเสียกับทีเรียนในกระเพาะอาหารที่มีประโยชน์ในการช่วยขับถ่ายออกไป ทาให้ในอนาคตร่างกายอาจทําการขัดผายด้วยตัวเองไม่ได้จนต้องใช้วิธีส่วนไปตลอล้างพิษตับด้วยเสารขัดสูตตับเป็นอวัยวะที่ช่วยคัดกรองสารพิษเพื่อขัดออกจากร่างกายก็จริงแต่การล้างพิษตับด้วยการทานอาหารบางอย่างเช่นน้ํามันประกอกและมีเกลือไม่ได้ช่วยล้างพิษในตับอย่างที่เข้าใจกันได้ เพราะดีเกลือช่วยให้ขับถ่ายคล่องขึ้นและน้ำมันมะกอบจะฝักคนออกมากับอุจจาะจึงทําให้คนที่ทานทั้งสองอย่างคิดว่าทานแล้วช่วยดีท็อกเอาอุจจาะและไขมันออกมาซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจผิดเต็มๆหากอยากมีท็อกร่างกายอย่างถูกวิธีจริงๆเลือกทานอาหารที่มีกาัใยญ่เส้นใยอาอหาังตามธรรมชาติเช่นผักผลไม้อย่างมะละกอสุ ลูกคุณทันจะพืชเข้ากล้องหรืออาจจะเป็นน้ำมะนาวผสมน้ำเป่าดื่มเป็นตอนเช้าแต่อย่าทานอาหารครบห้ามือทุกมือและไม่สวนตะวนันสวนลำไส้บ่อยเกินความจำเป็นทางที่ดีหากไม่เคยสวนตะวนันสวนลำไส้ด้วยตัวเองควรศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนและท้ายที่สุดดื่มน้าให้มากๆออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ต้ององ้อคอที่ท้อที่ไหนแน่นอน อันนี้ก็เป็นความเห็น อ, อีกคนหนึ่งนะแล้วก็ความหวยคนโบราณเนี่ยเขาไม่มีคำ ว, ว่าดีทองอายุเขาดืนมากเขาแก่ที่ตัวเหตุเขาไม่คิดมากชีวิตเขาก็ไม่กระเสษียกระสนเขาไม่มีความใหญ่ในคนยุค น, นี้และสิ่งแวดลอมสมัยก่อนก็ไม่ได้เพื่อนแบนี้ทุกวันนี้เราคิดเราเครียดทําให้ปุ๊กปุ๊กกันลดลงลดกันไปเพินมในสินน่เหานี้นะแก้ที่พฤติกรรมตัวเอง พฤติกรรมในการกินในการพักผ่อนในการคิดถ้าจําเป็นต้องคิดก็คิดแต่น้อยแล้วก็หวานอันนี้เราจำคิดจำทำเพราะเรามีความอยากเยอะนะร่างกนะ า, ายราก็ชืดโสดนะไอ้รักษาที่จะเลื่อนไปต้นเหตุคือพฤติกรรมนะแก้ที่พฤติกรรมกอพฤติกรรมเราเนี่ยบางทีเราไปตากแดดมากเกินไปร่างกายปรับสมดุลไม่ทันะหนาเกินไปไม่มีท่าบน เราให้คุณรพูมในร่างกายอันที่ของคือปวดตุแก้โดยรักษาคุณระูมร่างกายให้มันสมดุลเราเป็เคลื่อนปรับสมดุลตัวดยวนเราเดินลงปานเนี่ยรักษานี่เป็นบันไดสุดท้ายจะรักษาด้วยการฝีนวดด้วยการหวันเข็มด้วยกินยาด้วยฝาดอไรเ่ยอันนี้เป็นเรื่องไปหินะก็รักษาตัวเอง ดูพฤติกรรมตัวเองก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะยุคการสื่ออะไรแ ง, ง่แดบงบข่าวสารข้อมูลมีเท็จมีกี่การตัดสินขึ้นกับกระแสของสังคมจากยุคสังคมก้มหน้ากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่ออนไลน์สร้างวัฒนธรรมใหม่สร้างพฤติกรรมใหม่ส o ーシ่อล เ, เน็ตเวิร์กนะกลายเป็นปันจจัยที่5้าคนหลงไปกับสิ่งเราจนลืมหน้าที่ความรับผิดชอบ สังคมครอบครัวล่มสลายจะอยู่อย่างไรไม่ให้จิตสมบูรณ์หลงามโลกคุณจะเปลี่ยนเองหรือรอให้โลกเปลี่ยนแปลงคุณอันนี้คาคําตอบค ำ, ำ, ำโจทย์ตัวนี้นะคุณจะเปลี่ยนเองหรือรอให้โลกเปลี่ยนแปลงคุณเดี๋ยวฟังร่วมกันนะตอนที่มีผู้ปกครองสองฝ่ดี๋ย่าไปเล่นเกมลูกปูอบอลนะผมไม่ใช่คอเกมเล่นได้แค่ ความสนใจเรื่องเกมแทบเป็นศูนย์แต่มิเกมที่ออกมาใหม่ชื่อว่าโปเกมอนโกที่สามารถสร้างปรากฏการณมากมายจนผมหมดใจไม่ไหวที่จะบอกว่ายุคสังคมองมได้สิ้นสุดลงแล้วมันคือยุคใหม่ที่ออนไลน์สร้างเรื่องใหม่สร้างพฤติกรรมใหม่และแน่นอนสร้างธุรกิจใหม่ๆให้เกิดขึ้นหลังจากนี้แน่นอนปรากฏการโปเกมอนโกฟิเมอร์ เรื่องราวข่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่พูดถึงเกี่ยวกับเกมนี้ทําให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างใ น, ใ น, ใ น, ในวัยรุ่นเด็กคนแก่เริ่มสนใจบางคนเริ่มเล่นบางคนออกไปกับโปเกมอนแม้ว่าการออกล่าหาจับโปเกมอนเพื่อเอามาต่อสู้กันระหว่างเทรนเนอร์คนที่จับโปเกมอนเรียกว่าเทรนเนอร์มีหน้าที่หาจับโปเกมอนที่อยู่ในสถานที่ต่าง มามามา พ, อ, พอเลียงเพิ่มพลังสุดผ่นานโปเกมอนวติดยีนแล้วนังไปต่อสู้กันแต่ดูเหมือนตอนนี้ผู้คนยังสนุกกับไล่ล่าหาจับโปเกมอนมากกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายลายด้านแตกต่างกั น, กนและสร้างผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่ในวงการเกมย่างที่ เกมยืดๆทำได้แต่โกลเดมอนโกรทำได้มากกว่านั้นราคาหุ้นของโรลิสันดินเทนโดพุ่งสูงขึ้นกว่า 9.3% ภายใน13วันภายใน13วันนะพุ่งขึ้น 9.3% หลังจากเกมโกลเดมอนโรกรกเปิดตัวให้เล่นแค่3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและยูย่ิชิน และคากว่าราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยเปอร์็ภายในไม่กี่วันเขาคิดเป็นวันนะั้นและตอนนี้เชื่อว่าอีกไม่นานเกมนี้จะเปิดให้เล่นทั่วโลกและเชื่อว่าปรากฏการณ์ราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นจะเกิดขึ้นอีกทุกสถิติที่เคยมีมานะมีคนดาวน์โหลดมากกว่ายี่สิบห้ายี่สิบห้าล้านครั้งในสหรัฐอเมริกา ทั้งในแอปสตรอเบอร์รีแล้วก็ Google เพย์สำหรับมือถือนะอยังในตัวประเทศอื่นๆคนใช้เวลาเล่นเกมนิชเชียรอยู่ที่ 3.3.25 นาทีต่อวันมากกว่าการใช้เวลาเฉลี่ยนบนโซเชียลมีเดียอื่นๆนะทั้งตัวคนเข้ามาเล่นเกมโปกเกมอนโกในหนึวันมากกว่า21ล้านคน ตอนนี้โปรแกรกวันเปิดให้เล่นกว่า26ประเทศตัวโลกอันนี้พูดเงึงเดือนกรกฎานะตอนนี้ไปทั่วโลกแล้วนะในเกมนี้ทำเงินส่วนหนึ่งจากการขายไอเทมเสริมในเกมที่เฉลี่ยแล้วหนึ่งคนที่ดาวโหลดไปใจ่ายเงินให้เกมนี้ 0.25 นนะเหรียญต่อวัอนร้อย25เซน ถ้าเอาตัวเลขนีคููด่วย25ล้านฉเฉลี่ยแล้วเกมโปเกมอนโคเนีทานําเงินฉเฉลี่ยวันละ 6.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ218ล้านบาทตอนหนึ่งวันนี่เพิ่เปิดมาแค่3ประเทศนะตอนนี้มันทั่วโลกแล้ว106ประเทศนะนี่คือการนับแบบเข้าๆ25ล้านล้านดาวและมีแค่ประเทศเดียวยังไม่ประเทศ่น ที่ยังตัวเล่นและยังไม่มีสถิติตัวเลขออกมาอย่างเป็นทางการก็ทำเงไปมากกว่าสองร้อยล้านบาทต่อ ว, วันนี่ยังไม่นับรวมสินค้ารือที่จะตามมาทั้งโอเคมอเตอทัอุปกรณ์สำหรับตัวไกันแล้วก็ต้องเสียเงินแต่ถ้าเราเรี้ยนหมูเรี้ยงไก่ได้กินคนทุกวันนี้เนี่ยชอบใ้ก็หลดสนุกดีเขาพูดถึประวัว่ า, วา โอเคไม่ okay, ต้องาอานประวัติเขานะเดี๋ยวพูดสรุปสิ้นสุดยุคสังคมก้มหนากว่อนนะครับก้มก้ม้ตอนนี้เจนก็บอกว่าเฮ้ยเธอก้มไปเจอเจอเดอนจอเจอเจอไปหาหูไปมองจ่ายมันมาให้มันเรีย น, งง น, น, น, น, น, น, นแล้วก็ให้มันเข้ามาลงอีกคุณแคอนั้นแ็งแกแล้วเอาไปสู้กับตัวอื่นแล้วก็จ่ายเงินค่าเล่นด้วยเอาเวลานี่มาเลี้ยงไก่ไข่มนตองไข่ให้เราทุกวันนะได้กีโ่โปรตีนเลยนะ ถ้าขี้ไก่ไม่ได้เป็นปุ๋ยด้วยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเกมนี้ก็เขาบอกทุกคนจะออกมาล่ามาเล่นเกมมากขึ้นทุกคนจะได้รับอนปสงส์จากเกม น, นี้คำ<ค>หนึ่งที่จอแอนนะบอกไว้คือ user generic media point คือผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมจะออกมาเจอกันออกมาเจอกันออกมา จับโคแกมอนให่ละมันก็หลอเด็กผู้หญิงพาไปเจอเพื่อนปุ๊บไปมูงเพื่อนปุ๊บเขก็โคขึ้นตอนนี้เกิดขึ้นแล้วนะเชียงใหม่มีเด็กผู้หญิงคนเป็นเดียนมอท่าเรือมอขี่มอไซค์ปุ๊บเห็นโึงเป็นม้วนจอยทันทีเลยแล้วข้างหลังชอยทายเยตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบโคแกมอน ใช้จำนวนมากเช่นแรงม้าสูน ส, สนาธารณะโปเกมอนโปจะสร้างสุสานที่มีโปโปเกรมอนหลายๆตัวเอาไว้ในที่เดียวสถานที่เหล่านั้นถ้าจริงจากสถานที่จริงเวลาและจํานวนมากาใช้สถาที่สมัยมใหม่มาสร้างเองมาหลอกให้เราเพื่อเกิดขึ้ น, นมาชีวิตเราก็สมปรับไปสนุกกับการที่เราจะได้ไปจากจักโลงจากโลกล้าวมาเรียน เราพัฒนาเรีนยนก็สิ้นสุดสังคมโค่นหน้าแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากปรากฏการครั้ง น, นี้ความสำเร็จไม่เกิดขึ้นเพียงก้าวข้ามคืนกว่าที่จอแอนจะสร้างเกม น, นี้ได้ดังเป็นผู้แตกไปทั่วโลกได้ใช้เวลาถึง24ปีจากอิสนา ก, การจากถึเตรตืต่องแป้ ว, ว่าการสร้างเกม น, นี้ให้เกิดขึ้นจริงใช้เวลาพัฒนาเพียง2ปีเท่านั้นเมื่อเทคโ พร้อมเวลาพองทรัพยากรพร้อการสร้างถิ่ใช้เวลาไม่ห่างอย่าละทิ้ความฝันที่คุณมีการทําบางอย่างเพื่อรอที่จะสร้างสนั้นให้เป็นจริงโอเคนี่ขั้นสุดจบให้มีความอย า, มากคากขึ้นกระตือรือร้นนะไปควรพบอะไรใหม่ๆเราจะได้ร่ำรวยเนาะคุณจะเปลี่ยนเองหรือเราให้โลกเปลี่ยนแปลงคุณ กระแสน่ยงไม่ว่าดีหร like ือะไรเมื hall, ่อมันเกิดขึ้นและแทบระบาดไปทั aciones, <c oughs> ่วโลกอย่างรวดเร็วเหมือนไวรัสการยับยั้งอาจทาได้ยากแต่การเรียนรู้ที <oughs> ่ไปลูกกับมันให้ได้กหาคือวทางที่ทําได้อันนี้ผู้ปกครองควรหนักนะเของขาเขาต้องให้ความคิดแบบนั้นเมื่อโควิด -19 เกิดขึ้นสิ่งที่คุณทำคือเห็นต่ ไม่ชอบพยายามปัดสายไล่ส่ ง, องอบอกลูกของคุณว่าไม่ควรเล่นมันไล่สาระเกพวกนี้มันอันตรายถ้าเพื่อนๆของเขาเล่นเขาจะเล่นเมื่อคุณห้ามเขาจะแอบเล่นและเมื่อไม่ให้ผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำในการเล่นอย่างมุขพิธีอันตรายที่คุณนกลัวมันจะเกิดขึ้นได้หนึ่งในคำแนะนําจากผมคืออย่าปัดสายความติดแดง แม้ว่าคุณจะไม่เก่งแต่ตอนนี้แต่อีกไม่นานคุณจะต้องเปลี่ยนตามโลกดังนั้นศึกษาเรื่องนี้เรียนรู้วิธีเล่นเกมนี้ให้คําแนะนําอย่างที่ผู้ปกครองจะทําได้เพิ่มทีคนคอยดูแลให้คําแนะนําในการเล่นอย่างถูกวิธีนอกจากความสนุกสนานที่ได้รับจากเกมนี้นอกจากการปลูกยอดรับจากสังคมของพวกเขาอยู่แล้วความปลอดภัยจะเกิดขึ้นกับลูกๆของคุณ เราเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้เมื่อก่อนหลายคนไม่เล่นปุไม่เล่นเฟปุ๊ไม่เล่นลายด้วยสัํากตเขาคิดว่ามันไร้สาระไม่มีประโยชน์แต่เมื่อคนเริ่มเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนของคุณเล่นที่ทํางานใช้เฟปุ๊และลายทํางานติดต่อสื่อสารมากขึ้นนั่นคือเหตุผลที่เราต้องใช้ดเฟปุ๊และลายเหตุการณ์ทนี้ไม่ต่างกันเลยเรียนรู้ที่จะปู่กับความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ กับตัวรู้ทัยและใช้มันให้เกิดประโยชน์กับชีวิตคำนี่สําคัญมากเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้กรับตัวรู้ทัยและใช้มันให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณมันเป็นคําพูดง่ายๆถามว่าทําได้ไหมอย่าว่าจะเด็กไปลองได้ก็ผลติดเลยนะแล้วผู้ใหญ่ยังติดอยู่เหมือนเราบอกว่าเฮ้ยยาเสพตเดกมีอยู่แล้ว เขาเสียกันเป็นหมดแล้วเนี่ยต้องให้ ล, ลูกเราไปหลงเดี๋ยวมันจะไม่รู้เข้าถ่านโลกตอนนี้การมีคู่ เ, เป็นเรื่องธรรมดาไปโรงเรียนจะมีคู่การมีท้องก่อนเป็นธรรมดาให้ไปโรงเรียนได้อายุนี้มันคุมไม่ได้ถ้ามีคุมกำเนิดคุมได้ไหถ้าคุมได้จะไปท้องก่อดวัคนโบราณเนี่ยเขารู้เข้า่า การลง เป็นโรคสมาี่สั้างด้วยไม่ได้อยู่แบบนี้แับตัวถ้าสุดท้ายได้ไ เราต้องอยู่กับโลกให้ได้รู้โทกพันโลกไม่ใช่ไปตามมันตามแปลว่าไม่ทันตามแปลว่าท้าเพรครูเนี่ยพันสมัยที่สุดเห็นไหมดูเรื่องโอเกนมั่นเห็นไหแต่ก็ครูไม่ตามสมัยมิจตตามังเขาอยา่าไปปวดว่ารู้นะถ้าคุณรู้คุณต้องไม่ตามผิคุณแค่เป็นเยื่ ขึ้นจนถึงขีดสุดโลกตะวันตกนั้นเป็นโลกวัตถุนิยมบริโภคนิยมเจริญแต่ด้านวัตถุส่วนใจิตใจเสื่อมทามลงสังคมถูกผักดันด้วยความโลภของผู้คนจนหมดบังสติปัญญาทุกวันนี้สหรัฐอเมริกาจึงมีปัญหามากยิ่งพัฒนาเร็วเท่าไหร่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดวิกฤตเช่นในปัจจุบันปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี2008 ปัญหาในวงการศึกษาความรุนแรงในโรงเรียนปัญหาคอร์รัปชันปัญหาโรคเรื้อรังที่เป็นกันมากวิกฤตโลกร้อนวิกฤต ด, ด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานน้าอาหารปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบไปทั่วโลกอย่างรุนแรงรากเหง้าของปัญหาอยู่ที่การขาดศิลธรรมพื้นฐานขาดกิยธรรมในวิชาที่ขาดธรรมาภิบาลในการทางาน ปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้คนทั้งหลายมีสุขภาพจิตเสื่อมลงในสหรัฐอเมริกาถ้ารักษาพยาบาลสำหรับโรคเรื้อลั ง, ง, ล เ, ลลงเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคข้อเคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของงกประมาณถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปโดยรัฐบาลไม่มีการปฏิรูประบบสุขภาพคาดว่าระบบการเงิน ขององการสาธาสุขของสหรัฐจะล้ม ล, ละลายลงในอนานคตใกล้โรงพยาบาลต่ตางๆต้องปิดตัวลงเช่นเดียวกับเมืองดีทรอยต์รัฐวิชิแกนที่ในขณะนี้อยู่ในสภาพล้มละลายอุตสาหกรรมรถยนต์อันยิ่งใหญ่ของอเมริกาล่มสลายโรงงานของฟอร์ดไฮเซิร์ GM ต่างก็ปิดตัวลสงสงผลให้ทั้งเมืองกลายเป็นเมืองลา่าง คนงานย้ายออกไปหางานทำที่อื่นอาหารสารพิษถูกทิ้งไล่ไม่มีราคาประชากรจาก 1.8 ล้านคนเหลือเพียง 7-8 แสนคนบ้านเงินเป็นไปด้วยอัจฉริยรกังยาเสพติีการล่วกระเมิดทางเรศในประเทศฐกิจประชากรในวัสีจะมีปัญหาสุขภาพปิดช่วงใดโ่งหนึ่งในหน่ปีปัญหาส่วนใหญ่ เป็นเรื่องขอ ง, งความเครียดและโลรคซึมเ่า้าผสมกันเขาพบว่ามีคนไข้ซึ่งมาตรวจที่โรงพยาบาลร้อยละเก้มีอาการซึ่งสามารถเข้าเกณฑ์ที่จะวนิจฉัยว่าเป็นโรคเหล่านี้ได้และน้อยละแปดถึงสิบสองของประชากรจะมีอาการโรคซึมเศร้าในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีในปี1991แพทย์ใหญ่ไปสัญญาด้านอาการซึมเช่าเจล้านไป ต่อมาในเพิ่มมาเป็น4 9ล้านไปเพิ่มขึ้นจาก1 0ร้อยละ500 500เท่าแสดงว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้ายาด้านซมเศร้ามีจำนวนมากขึ้นทั่วโลกมีคนไทยโรคซึมเศร้าราว450ล้านคน นานาไมโคได้พยายามก่ไว้ว่าในปี2030โรคสึ่เศ้าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ทาให้เกิดการสูญ เ, เสียทางเศรษฐกิจด้านสุขภาพมากกว่าโรคหัวใจโรคมเมล็ดดังนั้นปัญหาสุขภาพกิจของคนในโลกนี้กำลังเข้าขั้นทีน่ปิซึ่ ง, งนองค์การนามายมโลก็กำลังคิดแก้ไขกันอยู่ขณะ น, นี้ในประเทศอังกฤษการเจริญสตีได้ทัการนามาใช้รักษา และป้องกันโรคเหล่านี้พราะเป็นวิธีการที่ได้ผดีไม่ต้องายอย่างค่าใช้จ่ายต่ำมากโดยศัสดาจ่ายมากทีเดียวนะกีตแคทแห่งศูนย์การเจริญสถติมหาเยลัยพอกฟอดได้ศึกษาวิจัยพบว่าการเจริญสติให้ผลดีในการบังบัยโรคสึมเศร้าที่เริ่มเป็นครั้งแรกและการเจริญสติช่วยป้องกันการ เต็มสัในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรืออไได้ถึงร้อยละ5้าสิบดรลิเมคาเกงผู้อำวยการศูนย์การเจริญสีหมาเหยื่ไรแบงกอร์ได้ใช้การเจริญสีบำบัดในโรคเกียรและโรคซึมเศร้าเอาไปว่าหลายแห่งกำลังทำนคือเขาสูงสุดเขาคุ้นสุดสัมมาแต่บ้านเราก็เพิวิเา์ว่าที่ีทางแกเขาและสุดท้ายหนา วิทยาเผอิญโชคดีทั้งคู่คุยกันด้วยสีหน้าดูลำนายงงงายระหว่างนั่งรองแซนด์วิชอยู่ในร้านสัเวที่ไม่มีลูกค้าอยู่ใด น, นอกจากพวกเขาพูดเรื่องทางเท้าทางเท้าคาู่พูดหวานที่เขอใหคนเดนิซึ่งในประเทศเราไม่ได้ออกแบบว่าให้คนเดิ แต่มีไว้ให้พรอค้าแค่คาขายของว่าให้มอเตอร์ไซค์รับจา้างขี่สวนเลนและไว้จอดรถแล้วหลังคนหนึ่งก็พูดว่าพื้นฐานของคนประเทศผมคือวินัยแต่พื้นฐานของคนไทยคือความเห็นแก่ตัวคนในประเทศผมจะคิดแล้วคิดอีกถ้าการจอดรถของเขาทาให้ใครละบากและทุกครั้งจะจบลง ด, ด้วยกันบอกตัวเองว่า ไม่จอดดีกว่ารหรือไม่ก็ไปจอดไกลๆแล้วเดินย้อนมาแต่คนไทยไม่คนไทยจะเห็นแก่ตัวทุกที่ที่มีจักรยนไม่ว่ามันจะเป็นการจอดบนทางเท้าบนเลนจักรยานและแม้กระทั่งผ่าซอยหรือกับรถแล้วจอดพอดีเพราะสัญชาตพืญญ้นฐานของคนไทยคือเห็นแก่ตัวและบันทัาไม่คนอื่น ต้องลงเพื่อให้ตนเ อ, นองได้รับสิทธิพิเศษหรือความสบายมากที่สุดเมือ่อไรที่ความเห็นแก่ตัวของคนไทยไม่ได้รับการตอบสนองคนไทยจะเรียกหาน้นําใจนะเขาเคยคิกว่าน้ําใจของคนไทยทัย้งแสนนีแต่วันนี้เขารู้แล้วว่าน้ําใจคือข้ออ้าง A, ของความเห็น ไม่ยอมพิเศษคิวในร้านอาหารบอกว่าไม่มีน้ำใจไม่ยอมพิจารลดซื้อของกับพิจไฟบอกไม่มีน้ำใจแม้จะทำให้รถติดยาวไปอีกสามกิโลไม่ยอมตกให้รถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่สวนเลนบนทางเท้าบอกไม่มีน้ำใจเพราะเราบอกว่าน้ำใจคือภาษาไทยคำแรกๆที่เขาเรียนรู้ ตอนมาติงประเทศนี้แต่ปัจจุบันมันคือคำที่น่าขยะแขยง discussing ส, ส, สำหรับเขาเพรามันคือการที่คนไทยจ้องจะเอาเปลี่ยนกันทุกวิธีทางเท่าที่จะทำได้โดยไม่สนใจใครทางนั้นตอนผมวันประโยชน์แรกว่าพื้นฐานของบนประเทศผมคือวิ น, นัยแต่พื้นฐานของคนไทยคือความเห็นแก่ ก็อยากจะทายแต่หลังจากที่พยายามคิดหาเหตุผลสุดท้ายผมก็นั่งทางสระเบรต่อไปเงียบๆทางนึกถึงแฟนเก่าสาวยิ้มอุ่ที่เคยตกใจตอนเห็นร้านไ๋วยเตี๋ยวข้าวทางเทนั้นแดกจากหม้อระบนถนนกับคาถาที่ว่า แล้วถ้ามีหนูมีแมลงสาบมาทำรังใครจะรับผิดชอบและทำไมเราต้อง นี่ฝรั่งเนี่ยรถเขาออกไม่ได้เราก็บอกว่ายางรั่วอย่างเงี้นะเขาว่ายังไงเขาบอกเก็ตเอามันไ ล, ล่เหนีไปยางรั่วเป็นปัญหาของเธอปัญหาขอฉันคือฉันออกไม่ได้เราบอกไอ้ฝรั่งนี้ไม่มีน้ำใจ <c oughs> แทนที่จะมาช่วยฉันนะแล้วเขาก็เป็นลูกค้าร้านของคุณนะบริษัทเขาอยู่ข้างๆตรงนั้นเป็นที่จอดรถของเขานั่นแหละน้ำใจแบบคน ไ, ไทยเนี่ย เราเป็นนักการเมืองนะเราไม่รู้เลยประชาชนที่หมดใจคืออะไรพวกะูเป็นที่หน้ามันสามปีแล้วไอ้นี่ไม่มีน้ำใจแต่พอเราซึมซับสังคมแล้วเนี่ยเราด่าตัวเองบัดซบความมักง่ายแบบไทยๆก็อ้างน้ำใจถ้าเรารู้สิทธิของเขาเราสิทธิด้วยเราต้องไม่จอดตรงนั้นคือถ้าบังเอิญมันจะมันต้องจอดเข้ามาก็ต้องซอลี่ขอโทษอย่างเดียวเลยอ่เป็นเพราะเวลาที่นวดเขาเป็นเงินเป็นทองเขาน่าเป็นชั่ว เมืองไทยเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ฝัดพกอคูนักการเมืองยังไม่รู้เลยประชาธิปไตยคืออะไรความมักง่ายของไทยๆทย่นี้เอาแต่สิทธิของตัวเองจนลืมสิทธิคนอื่นเพราะรังแต่พวกคูไม่ค่อยเห็นด้วยว่าเอาเรื่องน้ำใจกับเรื่องเห็นแก่ตัวมาเทียบกันคนละเรื่องนะอคนไทยไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวร แต่เป็นความมักง่ายเท่านั้นเองไม่มีวิ น, นัยแต่ไม่ไม่ใช่เราทำอย่างนั้นเพื่อเราเห็นแก่ตัวประเอิญภาษาฝรั่งคําว่าน้ําใจเขาไม่เคยได้ยินหรอกเขาฟังนะเขาบอเออมันดีนะทีนี้เขาก็เอาทางวัดคนไทยเพราะกูก็อ้างน้นะําใจเนีฝรั่งคนที่ไม่มีน้ําใจแค่ที่จะมาช่วยเหลือเราอันนี้นเราไม่มีวิ น, นัยเราไม่รู้ว่าสิทธิเราอ้างแต่ เรามากักง่ายแบบไทยๆเราก็อ้านสิทธิทีตอนนั้นพ่อคูไม่ได้คิดว่าพ่อคูทำแบบพวกกูเห็นแก่ตัวนะเอาเป็นว่าบางทีใช้ภาษามันก็ไม่ค่อยตรงแต่ว่าเนื้อหามันก็ให้เรารู้ว่านี่แหละคือจุดอ่อนของคนไทยพ่กคูมีร้านอาหารพ่อคูมีบริษัทคอมพิวเตอร์นะนักเรียนนักศึกษาปริญาโทรปริญาเอกไปทางา น, นที่ของเรามีทุกชาติ โดยเฉพาะร้านอาหารเราใ น, ในครัวเนี่ยมีทุกชาติมีคนญี่ปุ่นมีคนแคนาดามีคนลาวมีคนไทยมีคนจีนนะคนญี่ปุ่นมีวินัยมากที่สุดเขามีมีดส่วนตัวเขาเลยนะเปึ๊บเสียบปึ๊บายมามาตรงเวลาเพลททุกวันก่อนเวลาพอเริกจะเริกงานปุ๊บอีกสิบนาทีปุ๊บเนี่ยเขาก็ฝนมีดเขาล้างเซกชันที่เขาดูแลปึ๊บสะอาดกลับบ้าน ตื่นเช้ามาทุก็ทำงานได้เลยนะแต่คนชาติอื่นรวมคือคนไทยเราด้วยวยกตัวอย่างว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเ้าแรกเนื้อบีบเขบผมมาทีนี้ขนาดปมเนะี่ยเขายังมีผ้าชุ่มน้ำไว้ข้างๆแล้วเช็ดปึ๊บปนเช็ดเขาเสียเวลาเช่นนั้นแล้วแร่ก็ แ, แ ค, ค่แร่แค่กับเวลาแล้วเขาแรกเยอะเลยมาก คนลาวคนไทยเราจุ begin, students, ๊บตุ๊บจุ๊บจนมีดมันคื้บหมดแล้วก็พอเสร็จงานทิ้ปุ๊บกูกลับมานี่แหละความไม่มีวินัยของเราเราไม่ตั้งใจแย่ๆด้วยเราเราไม่ได้นะโดยเฉ่าคนีิัคโปรเลยย่ามีทาเราเองเนี่ยพูดกันเล่นยก็บอกว่าโอ้เมืองไทยเป็นเมืองใจของคนเด่นคนเดียวแต่ไปเทียวกบที คนไทยดีทุกอย่างมีอย่างเดียวกทนั้นที่ไป่ดีหรมีคนไทยนะระเจ้อยู่ดายัได้ลองยกให้เขาสีเขบอกว่าโอ้สวรรค์นดินเลยนี่แหละเอาละเราฟังไว้มีคนเขาด่าเราบ้างมันจะได้เปลี่ยนน้อยเออไมันดะไม่กลัวเขาหลอแตงเกี่ยวก็เลยนะเอาดอกไม้ผู้เทียน่ปไหว้ เราตัวตัวเลขอีกสามหมื่นพันไรส่วนด้วยกินไม่สร้างงานจริงจำจนวันตายทำลายสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ที่หน้าแบนน้าแบนเมืองแบนแขวงอุดชัยสัปดาห์กางเดือนนี้จะเป็นภาพหลอนสำหรับชาวเราไปอีกนานจนบันนี้ก็ยังไม่ พบสิ่งที่ถูกน้ำพัดพาไปแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบออกแถลงสัปดาห์ที่แล้วว่าสิ่งที่หายไปนั้นเป็นเพียงยาบำรุงพืกับยาฆ่ า, าเชือ้อราที่ใช้กับผลกล้วยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแรนแลองและยังเชื่อว่าด้วยว่าสารทั้งหมนี้จะไม่ล่วมไหลออกจากราช น, น, นาลไปถึโอเคคร่าวๆนะ คือเขามีสงสัยอยู่ในเมืองนี้เนี่ยนะห้าพันเท็กต้าเนี่ยเท่ากัสาหรื่นตัไร่อีกที่นึงเนี่ยเหลือบกตัวไร่รวมกันเป็นแสนไร่เขามาเช่าที่ทางเท็เซ์ตาเนี่ยมาปลูกก้วยไม่รู้กี่ล้านล้านต้นทีนี้ก็ขนสาเคมีมาจากจีนที่ผสมมาปลูกก็ไปแล้วจะเจอผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าแผน เขว่าเขาผิดหวังมากเขาโดนหลอกกละคิดว่าจะให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยมาเช่าที่มาสร้างงานคนเราจะมีงานทําไม่ใช่ทำอะไรเขาขนคนขอกเขามาแล้วก็มาเอาสารเคมีมาทิ้งมาที่นี่แล้วตอนนี้ปัญหาคือว่าตอนน้าท่วมเร็วๆนี้ราวน้ําท่วมเนี่ยไอสารเคมีก็ถูกทัดรอยลงไปได้แม่น้าเลยไม่ได้อะไรแล้เอาสิ่งแวดล้องมาทิ้งมที่นี่ อันนี้ภาคเหนือเราก็เป็นแบบนี้นะไม่ใช่คนจีนเขาดีไม่ดีนะเขาเป็นทักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เขาขยันเขาเคยจนมาแล้วนะที่นี่อาภาเซ็นปุดก็ถูกการเนตไซเลยนะถ้าพวกเราเนี่ยไม่ปรับตัวเนี่ยต่อไปเราจะเป็นภาคนะอันนี้ก็ล่าสุดกันฝังเพื่อให้เก่นความด้วยว่า อย่าเป็น่องโลกไม่ต้องเป็นตามโลกทุกเรื่องนะตามแปลว่าไมเราต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ใช่เป็นตามโลกตามมันไปจะเป็นทาดถ้าเราใช้เทคโนโลยีเก่งจริงๆนะนะเราต้องได้ประโยชน์เข้ามันเราต้องทําเหมือนเขาเนี่ยมันสร้างเกมมาปึ๊บแค่รอสามประเทศเองวันเดียวกม่ได้ง 1กว่าล้านวันวสร้อยกว่าล้านเนานตื่อเป็กกี่ล้านฮะหกพันกว่าล้านปีเจ็ดแปดหมืล้านอันนี้อันนี้มันเปิดตัวโลกแล้วเ น, นี่ยมันเป็นแสนแสนแสนล้านต่อปีเก่งจริงทำอย่างนั้นสิเขาจะปุยนีย่มหญ่มหาเลยแบบเขาสิไม่ที่จะ เ, ะเป็นเป็นลูกค้าที่ซื้อสัตว์โลกเขาเอง นะเล่นให้มันเป็นอย่าเล่นให้มันตายเหมือนมอเตอร์ไซคเหมือนกันเข้ามีเอาไว้แทนการขี่นะเมืม่อวันกี้ก็มีขา่าวมาเยอะเลยเด็กมอมอไปปาร์ตี้กับเพื่อนก็ <c oughs> ここยืมวิ่งไฟเพื่อนมา ข, ขี่ขีดด่ตายตายตายตาตายชนต้นไม้ตาย นี่โลกโลกอย่างนี้มีมัคซินป้องกันไหมนักวิยาศาสตรพผิตวัคซินนี่กูปูน่อยหนึเด็กทุกคนขีเลยมันจะได้ขี่มอเร์ไซค์เป็นมันจะขี่ไม่ตายมันไม่มีมันเป็นเกิดจากกิเลสวัตถุนิยมทามองเมาสเขาเห็นไหมป้องกันได้ไหมไม่ได้นี่แหละคือสิ่เราเจริญทางวัตถุ ท้ามัมีปัญหาต่างมากมายใช่หไหมถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์มัก็ไม่ต้องไม่ต้องวางไงมันก็ไม่ต้องตายแต่เราดีเพราะมันจำเป็นต้องมีถ้าเราจําเป็นต้องขี่ต้องขี่ให้มันเป็นอย่าขี่ให้มันตายโอเคนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุญภาษีรัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้พอมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันระพฤ้นปฏิบัติมา ได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นผนยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวัยเธอ